พระธรรมเทศนาแผ่นที่67ลําดลำดับที่21โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่29กันยายน2557มีชื่อเรื่องว่าเหมือนได้ลูกชายคนใหม่ เสร็จแล้วยังลูกหลานเร็วๆเข้าวะหลวงพ่อแล้วเน่ยทําทานเล็งมูได้กว่าไปม <c oughs> ันเป็นยังสี่โนรกเลยนะไปกนเจ้าของแล้ ว, ลวทาทานเล็งมูเลยนป <c oughs> ถึงยังไงโรงทานก็รองรับพี่น้องประชาชน อ, าอยู่แล้วนะ แต่ว่าถึงยังไงก็ตามนรงทานต่างๆนาะอย่าไปชลาใจนะไม่ใช่ว่ามีแต่ตอนเช้าได้อีกสักหน่อยเนึ่งกองทัพใหญ่จะเข้ามาพวกเราต้องเตรียมพร้อมรับกองทัพใหญ่มีท่านในอำเภอมีอบวตผู้เหบ้านกำนันจะเข้ามาร่วมทอดผ้า ป, ป่าสามัคคีในวันนี้เพราะว่า ก่อนที่จะเป็นผ้าป่าสามัคคีกอสาวาท่านนายอำเภอเป็นผู้ปารลขึ้นก่อนใช่ไหมผู้หน่อยอนั่นแหละท่านนายอำเภอปารลขึ้นมาท่าน อ, อยากจะมีส่วนร่วมในการสร้างวัดในเขตอำเภอเพนคือสร้างวัดใหม่ยังไม่มีอะไรนับแต่ที่แรกนะว่าท่านบ อ, อกกอไก่ได้แหล ะ, ะยังไม่มีอะไรเพราะนั้นทั้ง ส่วนรัชการพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าเขตอำเภอเ พ, อเพนและก็อำเภอที่ใกล้เคียงแระกว่าเขตอุดรของพวกเราตลอดถึงพระสงฆ์จะได้มาร่วมกันสร้างวัดป่ารวมธรรมแห่งนี้นี่แหลวพวกเราท่านทั้งหลายมาเห็นก็นมีแต่ศาลาหลังนี้นะที่จะได้พักพาอาศายัยจากนั้นก็ เ, ออเรื่อง เครื่องอำนวยความสะดวกก็ยังไม่พร้อมแต่หลวงพ่อเองหลวงพ่อก็การสร้างท้าวรลวัตถุหรือสร้างวัดบาสศาสนาก็ให้เป็นไปพร้อมกันกับสร้างศรัทธาญาติโยมสร้างพระสงฆ์ไปพร้อมๆกันถ้าหากว่าเราจะเร่งสร้างแต่ทาวรลวัตถุอย่างไม่หลับหูหลับตาแล้วกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่น อยู่ในละแวกนี้ตามไม่ทันหรือว่ามีแต่เทวรัววัตถุขึ้นเร็วเกินไปโดยมากจะมีปัญหาเพราะนั้นทั้งฝ่ายพระสงฆ์และฝ่ายคณะสัทยา ญ, ญาติโยมแล้วก็ทางด้านวัตถุ ก, ก็น่าจะให้ไปพร้ อ, รอมๆกันถึงจะช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรนะเพราะเป็นการสร้างบารมีสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันแต่หากว่าสร้างปูกปับขึ้นมา แล้วก็ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อเองก็ไม่ต้องการหรือไม่ปรารถนาจะให้เป็นอย่างนั้น เ, เพราะฉะนั้นอยากจะให้พี่น้องประชาชนสัยตยาธิษยโยมทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมในการสร้างบุญสร้างกุศลฟังแต่ชื่อว่าวัดป่ารวมธรรมฮะรวมธรรมคือรวมคุณงามความดีเข้าหากัน แล้วก็สร้างถาวรวัตถุขึ้นมาให้ถาวรเพราะนั้นขอให้พวกเราพี่น้องศรัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าที่หลวงพ่อเองก็ในฐานะที่เป็นประธานสงฆ์หรือว่าได้รับที่ดินจากขุนอ๋อยอที่พวกเรารู้รับทราบกันหลวงพ่อกคิดว่าจะเกิดประโยชน์ ต่อพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าเพราะว่าวัดก็ไม่ใช่ของผู้ใดใครผู้หนึ่งจะรู้ว่าวัดหลวงพ่ออินทีเดียวก็ไม่ได้นะคณะสัท ธ, ธาญาติโยมเหมือนกับเราว่าวัดของพระพุทธเจ้าลักษณะอย่างนั้นแหละพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่รับรู้รับทราบอะไรท่านก็อยู่นู่นประเทศอินเดียนั่นน่ะท่านก็เปรียญนิพานไปแล้วแต่พวกเราก็น่ะ บอกว่าวัดพุทธศาสนาวัดของพระพุทธทเจ้าอันนี้ก็ลักษณะคล้ายๆกันนะแต่หลวงพ่อไม่ได้เปรียบเทียบหลวงพ่อเหมือนพระพุทธทเจ้าดอกแต่ว่า เ, าเขายกให้เป็นหลวงพ่อเป็นประธานหลวงพ่อก็เป็นประธานแต่เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็เป็นของลูกของหลานของสัตยาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่านั่นแหละ เ, เป็นสถานที่บําเพ็ญเป็นสถานที่สร้างบุญสร้างกุศลเป็นสถาน บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาสั่งสมบารมีของพวกเราให้แก่กล้าเพื่อหวังมรรคผลนิพพานไม่ใช่ว่าเราจะสร้างขึ้นมาแล้วจะมาเป็นเปรตเป็นผีมาเฝ้าวัดอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ไม่พไม่พวกเราพูดขึ้นมาก็ไม่เป็นที่พึงปรารถนาไม่เราก็ไม่อยากจะให้เป็นทุกคนก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้นสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่พวกเราร่วมกันสร้างบารมีพ อ, อสร้างเสร็จแล้วก็ ต่างคนก็ต่างไปสู่สวรรค์นิพพานด้วยบุญบา ร, รมีของพวกเราที่มาร่วมสร้างมาสร้างร่วมกันนี่แหละต่อไปกับเป็นทายาทลูกหลานของเราก็จะได้ดูแลวัดวาศาสนาต่อไปนานเท่านาน เ, เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะทายาติโจมพวกเราเนี่เป็นผู้มักดึกดอกอตั้งขึ้นมาอันนี้คือว่านับหนึ่งหรือว่ากอไก่ ของพวกเราเนี่ยคือสร้างวัดป่าร่วมธรรมการสร้างวัดบาศาสานาในครั้งพระพุทธเจ้าหลวงพ่อเคยมาพูดที่นี่ว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตัดรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณจากนั้นท่านก็เสด็จเข้ามากรุงราชสักยพระเจ้าพิมพิสารก็ถวายที่ดินสวนอุทยานคือสวน เ, เวลุวันเวลุวันคือสวนไม้ไผ่ ที่พระเจ้าพิมพ์พิสารในเมื่อพระองค์อยู่ในกรุงราชคกื้อก็เสด็จออกไปประทับพักเป็นครั้งคราวในเมื่อช่วงที่ว่างๆพระองค์เสด็จไปประทับที่อุทยานเวลุวันจากนั้นพระพุทธเจ้าของเราเมื่อได้ตัดสู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์ก็ได้เสด็จประทับอยู่ในป่าแห่งนี้แล้วว่า วัตยานป่าไม้ไผ่คงจะเป็นไม้ไผ่ร่มรื่นแต่หลวงพ่อเคยไปเห็นนะหลวงพ่อเคยไปอินเดียครั้งหนึ่งอันนี้แหละเวลุวันต้องก็เป็นที่เขาขุดสระน้ํามีเป็นที่ร่มรื่นจริงๆลักษณะเป็นป่าดงดิบตรงนั้นนะที่วัดป่าเวลุวันนี่แหละพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่นั่นจากนั้นพระเจ้าพิมพิสารเห็นพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์ประทับอยู่ที่ อุทยานป่าไม้ไผ่พระเจ้าพิมพิสารก็ได้ถวายน้อมถวายพระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์บอกว่าที่นี้เป็นที่ของหลวงเป็นที่ของพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินมีอานาจสิทธิ์สิทธิ์เด็ดขาดเพราะว่าสมัยนั้นพระเจ้าแผ่นดินปกครองอด้วยอานาจด้วยพระองค์เองจะชี้เป็นยังไงเป็นอย่างนั้นแต่นี้พระเจ้าพิมพิสารได้ถวายที่ดินตรงนั้น ไว้ในพระพุทธศาสนาน้อมนำถวายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นก็ได้เทน้ำทักขีโนโทกไ ข, ขว่าเอาน้ำเป็นสกีพยานว่าได้ถวายที่ดินผืนนี้แปลงนี้ไว้ในพระพุทธศาสนานั่นแหละอันนั้นก็คือความเป็นมาและความมั่นคงขนาดมา 2,557 ปีมาถึงขาดนี้วัดตรงนี้ก็ยังเป็นสถานที่ว่า นี่คือพระพุทธเจ้าเสด็จประทับประทับอยู่ตรงนี้พระเจ้าพิมพิสารถวายที่ตรงนี้เพื่อสร้างวัดป่าเวลุวันเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนานี่แหละอันนี้ก็คือความเป็นมาของวัดต่อมาก็อาณาถาบริการเศรษฐีไปทามาค้าขายกรุงราชา ค, คือกรุงสาวัตถีกรุงราชาคืเป็นเมืองใหญ่ เศรษฐีกรุงสาวัตถีไปทำมาค้าขายกรุงพระราชคือไปก็ไปเห็นได้ไปเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพี่น้องประชาชนนับถือเลื่อมใสพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนาถาพฤิกาเศรษฐีก็ได้ไปฟังพระธรรมเทศนาพระพุทธเจ้าเพราะอนาถาพฤิกเศรษฐีนี่ก็เป็นผู้มีศรัทธามีอุปนิสัยมาแต่เก่าแก่อยู่แล้วคือจะเป็นพุทธอุปถากพระพุทธเจ้าอยู่แล้ว พอไปเห็นพระพุทธเจ้าท่านั้นอ่ะมันซึมซาบพอไปในจิตใจลึกซึ้งเกิดความเคารพนับถือเรื่อมใสให้ข้าวาแบบขนสู้ซาขึ้นมาในจิตในใจทุกอย่างจากนั้นก็ได้กราบพระพุทธเจ้าว่าขออาราธนาพระพุทธองค์เสด็จไปกรุงสาวรรค์ถีข้าพรองค์จะได้ถวายจะสร้างวัดถวายในกรุงสาวัรถีขอพระองค์ โปรดรับเมตตาของข้าพระองค์ด้วยเถิดพระพุทธองค์ก็ดุจฉนีดุจฉนีดุจฉนีภาพใกล้ๆว่าไม่ตอบไม่รับแต่ว่าเป็นที่รู้กันว่าพระพุทธองค์รับแล้วนะจากนั้นพระอาณาถามติก็กลับมาค้าขายเสร็จแล้วก็กลับมาต่อมาก็มาหาที่ทําเลทนี่เ อ, อที่ตรวจ ด, ดูในกรุงสาวัตถีเนะี่ยที่ไหนทําเลดีที่สดุดในความรู้สึกนะเออ ตรวจไปตรวจมาก็ไปเห็นที่หนึ่งเป็นที่เนินสูงนะเป็นที่เนินและก็จะเป็นสวนของเป็นสวนของเจ้าเจ้าเก่าแก่ชื่อว่าชื่อว่านายเชินะนายเชิเป็นเจ้าเก่าแก่ของกรุงสวัสดีแต่นี้ก็ไปถามว่าที่นี้เป็นที่ของใครก็ถามว่าเป็นที่ของเจ้าเชิดนาถามตริกาศษฐีก็ถามว่าท่าน เจ้าเชิดจะขายไหมในที่แปลงนี้ผมจะซื้อถวายไว้ในพระพุทธศาสนาผมจะสร้างวัดขึ้นมาแต่นายเชิดก็ยังไม่เห็นพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้ายังอยู่ในกรุงราชคฤห์นะห่างกันพอสมควรแต่นี้ก็นายเชิดก็ว่าโอ้ถ้าได้ถ้าได้กําไรก็ขายเหมงอนนแต่ถ้าได้กําไรดีก็ขายขายยังไงนานายเชิดก็บอกว่าเอาเหรียญ เหรียญบาทเนี่ยกรหาปณะนียเหรียญกรหาปณะเนี่ยเรียงครเลียงได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแหละคล้ายว่าเราเรียงเลียงเรียงเหรียญบาทเนี่ยเลียงเรียงเรียงเรียงเรียงเรียงกันอพอเรียงถึงที่ไหนก็ขีดเส้นไว้แล้วก็เอาขนาดนั้นก็เรียงอีกทีนี้อนณาถาไม่ได้กระเสถีก็เอาเงินมาจากท้องประคังเนี่ยเอามาเรียงแล้วงั้นเอยเรียงเอาที่ดินของนายเชษ เกือบทั้งหมดยังเหลือแถแถวทางหน้าประตูเท่นี้ยังเหลืออยู่ประมาณแถวหน้าประตูแปลงขนาดเดก็คงไม่มากไม่กว้างเท่าไหร่嘛นายเชิ์ก็บอกว่าเอาละพอละพอละเออเอาเอาเรียงมาขนาดนั้นพอละแต่หน้าประตูนี่ยผมขอถวายผมขอมอบให้อมอบให้ท่านเศรษฐีแถวแถวหน้าประตูนี่ยแต่ถึงยังไงก็ผมขอฝากชื่อไว้ด้วยนะ ชื่อว่าผมชื่อ น, นายเชษ์นาถาบดีก็ได้ก็เลยตั้งชื่อว่าวัดป่าเชษ์ตะวันมหาวิหารกัคือชื่อนายเชษ์เพราะงั้นแต่แต่ว่าชื่อที่ดินจริงๆเนี่ยเป็นของอนาถาบัณฑิกาเศรษฐีมีหน้าประตูเท่านั้นแหละเป็นของนายเชษ์แต่นายเชษ์อยากจะได้ชื่ออนาถาบดีก็ให้ชื่อได้นะแต่นายเชษ์ได้บุญแต่นาถาบัณฑิกาเศรษฐีได้บุญ พอท่านซื้อแปลงบากใหญ่เลยสิข้างในนั่นนะให้พระพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์สเสด็จประทับอยู่ที่กรุงที่วัดป่าเชิตะวันมหาวิหารจากนั้นก่อนพอเสร็จเรียบร้อยแล้วอนาถามิดาเศรษฐีก็สร้างศาลาสร้างกุฏิสร้างที่พักเป็นสัดส่วนพัะคันทึกุฏีของพระพุทธเจ้าจากนั้นก็สร้างพระคันทกุฏีของพระอัครสาวก จากนั้นก็สร้างกุฏิที่พักพระสงฆ์อยู่วัดป่าเชตตะวันมหาวิหารจากนั้นพระสงฆ์ก็ไดเ้เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งข่าวาไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระสงฆ์พระพุทธเจ้าก็ได้รับทราบก็ท่านก็เสด็จม า, าตามทางจนถึงมากรุงสาวรถีท่านก็ได้มาประทับที่วัดป่าเชตตะวันมหาวิหาร พระพุ ท, ทธเจ้าเนี่ยเสด็จมาประทับที่วัดป่าเชตะวันมหาวิหารนี่นานที่สุดถึง25ปีที่จำพรรษาอยู่ที่วัดปา่าเชตะวันมหาวิหารนีนานกว่าทุกแห่งและก็อนณาถาเบติกเศรษฐีเป็นผู้ดูแลเป็นผู้อุ uh, ปถัมภ์ประทับพระพุทธเจ้าแต่หลวงพ่อเองก็อยากจะพูดให้ศรัทธาญาติโยมได้รับทราบเป็นข้อคิดอีกส่วนหนึ่ง เพราะทุกวันนี้พวกเราคงได้ยินว่าโอ้ลูกหลานของเราพูดยากนะหลวงพ่อก็อยากจะพูดในจุดนี้ให้คณะสัตย า, าติโยมฟังอีกในเมื่ อ, อนาถาบุติกาศเศรษฐีดูแลพระสงฆ์ดูแลพระพุทธเจ้าเป็นพุทธอุปถัม์ตอนเช้าก็ถวายพระตาหารตอนบ่ายตอนเย็นก็ถวายปานะกับพระสงฆ์ตอนเย็นก็มาฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าไม่ได้ขาดนะี อันนี้คือวัดอาณาถาเมติกาเศรษฐีท่านใส่ใจออตอนเช้าก่องปินเท่าบาทไปพับพวกไปไปฉันอาหารบางทีก็เลี้ยงพระสงฆ์เรือเลี้ยงถวายพระทหารพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์ที่บ้านของตอนเองเออที่ในกรุงสวรรถีบางทีก่อนเอามาถวายที่วัดป่าเชตะวันอันนี้แหะคืออาณาถาเมติกาให้ครับว่าชีวิตทั้งชีวิตของอาณาถาเมตินี่ เป็นผู้ทุ่มเทเไว้ในพระพุทธศาสนาแต่ถึงยังไงก็เถิดนะลูกของท่านมีหลายคนท่นี่พอมีหลายคนนะลูกสาวลูกชายดีทั้งหมดท่นี่ยังมีลูกคนหนึ่งคงเป็นลูกคนจุดท้องนะเกเรท่นี่พ่อบอกให้เดินหน้า เ, เด็กชายลูกเนี่ยเดินถอยหลังถ้าให้ไปขวา <c oughs> ไปซ้ายคล้ายๆว่าไม่ไปตามความประสงค์ของของพ่อ อาณาถาบิกาศเศรษฐีก็ไม่รู้จะเอาอย่างไรบอนกันมันโอ้จะมีแต่คิดในใจตรงตอกเราเออลูกของเราเนี่ยเราเนี่ยจะพาลูกออพาครอบครัวทั้งลูกหลายหลายคนไปสู่สวรรค์นิพพานล้วนแล้วแต่ได้เป็นพระอริยะบุคคลกับลูกมากเราเนี่กัเป็นพระโสดาบันทั้งแม่บ้านก็นี่แหละพระแม่บ้านกับโสดาออลูกๆหลายคนก็นเป็นพระ โซดากันมีเกือบทุกคนแต่ไอ้นี้ทำไมเป็นอย่างนี้เนาะลูกของเรานเนาะแต่อาถาธรรมบดีกาเศรษฐีเนี่ยก็คิดแล้วก็ ด, ดิไม่รู้จะทำยังไงก็คงจะดุดา ว, าาว่าเก่าที่ท่านก็ไม่ได้เขียนในตำราเอาไว้นะท่านก็คงจะแท่หวด้วย อ, อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคนบอกไม่ฟังกันใช่ไหมแต่ทีนี้ไอ้นี่ไอ้หนุ่มเริ่มเป็นหนุ่มขึ้นมาอายุสิบสี่สิบห้าปีเนะี่ย เออเท่านี้ก็ไปเที่ยวได้วจะติดหมูติดเพื่อนเ อ, อเงินเนี่ยบอกมาแล้วก็ขอล่ะขอเงินพ่อครับผมขอทางครับ อ, อพ่ อ, อ, อไอ้นี้มันชอบเงินว่าวันนี้ก็เลยบอกว่าลกูกนี่นะวันพระนะวันนี้นะแปดค่ําเออให้ลูกไปรักษาศีลได้ไหมพ่อจะให้จเจ้าเท่าไหร่ล่ะเออถ้าไปรักศีลรักษาศีลที่วัดเนะ่ยลูกจะเอาเท่าไหร่ถ้าเราเปรียบเทียบนะท่านก็ไม่ได้ว่าเน่ย เอาครับผมเอาสัก50กะหาปณ ะ, ะครับจะให้ผมไปรักษาศีลเออเอาได้ได้ได้ไดพ่อกระตกลงงนะจากนั้นนลูกชา ย, ยก็อยากได้เงินใช่ไหมละเด็กกําลังเที่ยวนี่จะได้ก็ไปนอนวัดพอนอนวัดกัไปถึงวัดกันอนเลยแล้วไปรักษาศีลเลยเไปกันนอนห่ะพอนอนเสร็จพวกนี้เช้ากลับมากับพ่อพ่อพอเงินห้สิบาทพอ่พอพ่อก็เตรียมันก็ให้เอ คอสิาข้ามมาอีกไปอกเอกได้1 5กลับมาอเอกขอทุกครั้งเหมือนกันเถอะไปวางเงิ น, นต้องมาก่อนตอนนี้อนาถามเดกกาจิติ์ก็ให้เนี่พอได้ตกลงแล้วต่อมาอนาถามเดกกาบอกว่าโลกให้ไปฟังเทศนะทีนีนะไปฟังเทศเพระพุทธเจ้าจะเอาเท่าไหร่เออเอาขอขอ75ก็แล้วกันรวมกันนะแต่ก่อน50ใช่รวมแล้วเป็น75ค่าาไปฟังเทศเหมือนกัน เออไปฟังเทศพระพุทธเจ้าเออเอาพ่อก็ให้จะได้กไ็ไปนั่งฟังเทศไปนั่งฟังเทศฟังแล้วก็ฟังจบไหมลูกครับได้ฟังครับได้ฟังอยู่ครับเออเอาให้เจ็ดสิบห้าท่านมาในานาถามเรกบร็บอกว่าลูกฟังแล้วให้จำำําคําคํำพูดหรือคําตรัสของพระพุทธเจ้าให้ได้สักคำหนึ่งมาพูดให้พ่อฟังนะไอพ่อจะให้อีกเจ้าเท่าไหร่ ออืเอาสักร้อยกันแล้วกันนะพ่อนะเอรวมกันสักร้อยเอออได้ทีนี้ก็ไปกันนั่งฟังอะไปก็ตั้งใจฟังวันพรานพระคุณเจ้าแสดงธรรมบางคืนก็บางบางวันก็ตลอดคืนก็มีบางทีก็ที่ห้าหกทุ่มจุดแท้แต่การะเทสสะสูตรแท้ที่พระองค์จะแสดงธรรมให้กับผู้ใดถ้าว่าผู้มีอุปนิสัยมรรคผลนิพพานมีอยู่พระองค์ก็จะแสดงธรรมจนได้สําเร็จมรรคสาเร็จผล อั น, นกกใก็อนลูกชายอันาถามฏิกิกาเศรษฐีนั้นก็ไปนั่งฟัง ไ, ไปกตั้งใจฟังเพราะพระพองค์เทศเรื่องอันใดจังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนาตาไม่ใช่ตัวตนของเราพอพูดเสร็จแล้วจาได้ละคำเลยออกมากลับไปหานอนพอหันหลังให้แต่ลืมซะนี่พระพุทธเจ้าบันดาลให้ลืมได้บาปนี่พระพุทธเจ้าใช้อิทธิฤทธิ์พนะปากคนที่ไม่ดีน่ไม่ใช่ธรรมดาน พราะพุทธเจ้าหัวแล้วละอ่ยลูกอานาถาบิเดกาเศรษฐีเนี่ยมันจะจับคำของเราไปเนี่ยเออเหล้ยวมันจะไปนอนเนพราะพระพุทธเจ้าก็กลับหัวใจเขาเนะครับบันดาลให้ลืมพ่อลืมเลยพอกลับเมื่อกี้เนี่ยเราจำแล้วแต่ทำไมลืมกลับไปอีกพอไปฟังอีกตั้งใจฟังเถอะพอตั้งใจฟังอ้าวจำได้ละทีนี้มกลับไปอีกไปนอนอีกลืมอีกกลับมาอีก เอาถ้าติดตั้งใจฟังให้ดีตัวนี้เพื่อจะได้จําให้ได้ใช่ไหม <st> พอนั่งฟังข่าวนี่เอเข้าใจในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าลึกซึ้งเข้าไปในจิตใจเลยพอเข้าฟังฟั ง, ฟ, งฟังด้วยความตั้งใจจนได้สําเร็จพระโสดาบันฮะพอได้สําเร็จพระโสดาบันด้วยโอตตตตตต้ตายตาตายตาเราทําไมหลงผิดถึงขนาดนี้พ่อของเราโอ้โหมีพระคุณอย่างมากจริงๆเนาะ เอ่อที่แนะนําให้เราเข้ามาสู่วัดวาศาสานาเนี่ยโอ้โหพระพุทธทเจ้าก็เป็นผู้เลิศประเสริฐจริงๆที่ท่านแสดงธรรมเราได้โลกุตละซับแล้วโอ้เอาทะยกมือท่วมหัวรละลึกถึงบุญคุณของพ่อรละลึกถึงบุญคุณของพระพุทธทเจ้าจากนั้นพอตอนเช้าพอสว่างพระพุทธองค์กับพระสงฆ์เนี่ยออกไปบินออกไปเนี่ยไปรับบิณฑบาต ที่บ้านอนาณาถาปินทิกเศรษฐีเนี่ยไอ้หนุ่มคนนี้ก็ตามหลังคล้ายๆว่าตามหลังไอ้ข้างๆพระพุทธเจ้าไปเลยเนี่ยตามไปนะก็นี่แหละพอไปถึงบ้านแล้วกันอจัดน้ําจัดอาหารถวายอาหารถวายสิ่งของพระสงฆ์กับพระพุทาธเจ้าอาณาถาปินิกาเศรษฐีเห็นลูกชายโอ้โหเปลิ่มปีติอย่างใหญ่หลวงเลยทีเดียว คล้ายๆว่าตะกอนมาละมานมิตรถามหาเงินแต่เขาเนี้กัเงินก็จุกหยักกจุกหยกเหมือนกันนะบอกว่ามาใกล้ตั้งลูกในลูกชายนในก็โอ้เอออย่าจะพ่อจะได้ถามให้เงินต่อหน้าพระพุทธเจ้าโดยเธออายอายคนอายพระพุทธเจ้าอายพระสงเหมือนกันแต่ผู้พ่อเนี่ยก็พยายามจะหาจังหวะที่จะมอกงินให้พวกนั้นพวเพราะห็นลูกชายตัวเองพิษปกติดีออกดีใจจริงๆวันนี้เนี่ยนะ นี่แหละเห็นพ่อเห็นลูกถ้าลูกทําดีเ น, นี่ยพ่อเนี่ยพออกพอใจนะจากนั้นก็มาใกล้ๆก็เลยอดไปหล่นคนไม่ได้ผู้พอลูกลูกลูกเออพ่อเตรียมกันไม่ให้อยู่นั่นเนี่ยเออจะมอบให้อยู่นะท่านลูกชายไม่ไม่ไม่ไมเอาหรอกพ่อผมไม่เอาแล้วครับผมไม่เอาเงินครับพราะพระโองค์บอกว่าอาณาถาวิตริศเศรษฐีลูกชายของท่านเนีเ่ยนะเขาไม่เอาหรอกโลกิยาทรัพย์ เพราะเขาได้โลกุตรศัพย์แล้วโลโลกียะทัพย์เนี่ยเป็นจิบจ่อยโลกุตรศรัพย์ของเขาเต็มใจของเขาแล้วเพราะฉะนั้นเขาเอาโลกุตรศัพย์เขาได้โลกุตรศัพย์แล้วานาถามติกเขาไม่สนใจดอกโลกียะทรัพย์านาถาเมติกเศรษฐีได้ยินทันเลยสาธุสาธุสาธุเพราะนั้นคล้ายๆไวัยยกภูเขาออกจากอก ได้ลูกชายดีนะลูกชายมีศีลธรรมได้เป็นลูกชายพระโสดาบันหายห่วงเลยนี่แหละพ่อแม่ผู้ใดก็ตามนะถ้าลูกตัวเองเป็นผู้มีศีลมีธรรมรู้จักสัมมาคารวะรู้จักศีลรู้จักธรรมรู้จักสูงรู้จักต่ำรู้จักธรรมมาค้าขายรู้จักพระคุณของพ่อของแม่แล้วพ่อแม่ดีอกดีใจยิ่งกว่าได้เพชรได้พลอยนะลูกหลานนออันนี้แหละ ในครั้างพระพุทธเจ้าก็มีแต่ถึงยังไงก็ตามหลวงพ่อบอกกล่าวเรื่องเรื่องเราให้ฟังมาในปัตรไตรปิฎกนะเรื่องนี้นะ เ, เพราะฉะนั้นพวกเราที่เป็นพ่อเป็นแม่ถึงจะลูกของเราหลานของเราดื้อรั้นยังไงก็ตามพ่อแม่ก็ควรจะใช้ความอดทนใช้สติใช้ปัญญาอบรมลูกหลานของพวกเราให้เป็นคนดีนะ น, นี่แหละอันนี้ก็คือการเล่าออกมาตั้งแต่ พระพูพดทาเจ้าได้ตัดสรู้วัดป่าเวลุวันเป็นวัดแรกวัดป่าเชตะวันมหาวิหารเป็นมาอย่างไรที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ฟังตอนถึง อ, อ, อนาถามริกาเศรษฐีถึงท่านจะเป็นผู้มีศีลมีธรรมถึงขนาดนั้นลูกของท่านก็ยังทะเลทไลไยนะยังเกเหมือนน่ะเกเลเหมือนแต่ท่านก็ใช้สติใช้ปัญญาเพราะพูทเจ้าเป็นผู้มีพัก คุที่พวกตระกูลเข้าให้ความเคารพนับถือพระองค์ก็เมตตาเน่ยจนลูกชายของท่านก็ได้สําเร็จได้โลกุตละทรัพย์อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะชาัิไายญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่านะการสร้างวัดวายศาสนานี่ยความเป็นมาของวัดวาศาสนาก็อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังเอาต่อนี้ไปพระสง์ จะอนุมทนาให้ผรอนนั่จะนี่น่า